เรื่องพระชับผ้ีหนึสมัยนั้นอุบาสกคนหนึ่งล้มป่วยเขามีภรรยารูปงามน่าดูน่าชมพวกภิกษุฉับผ้ีชอบภรรยาของเขาจึงปรึกษาว่าถ้าอุบาสกยังมีชีวิตพวกเราจะไม่ได้นางมาช่วยกันกล่าวพรนนาคุณความตายให้เขาฟังเถิดจึงเข้าไปหาอุบาสกกล่าวว่าอุบาสก ท่านทำคุณงามความดีทำที่ต้านทานความขาดกลัวไว้แล้วไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำบาปหยาบช้าทารุณอะไรไว้ท่านสร้างแต่คุณงามความดีไม่สร้างกรรมชั่วเลยจะมีชีวิตอยู่อย่างลำบากยากเข็นไปทำไมท่านตายเสียดีกว่าหลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์จะเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณห้าอันเป็นทิพย์ 169อุบาสกเห็นจริงว่าท่านกล่าวจริงเพราะเราทำคุณงามความดีทำที่ต้านทานความขลาดกลัวไว้แล้วไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำบาปหยาบช้าทารุณอะไรไว้เราสร้างแต่คุณงามความดีไม่สร้างกรรมชั่วเลยจะมีชีวิตอยู่อย่างลำบากยากเข็นไปทำไมเราตายเสียดีกว่าหลังจากตายแล้ว จกไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์จะเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์จึงรับประทานอาหารสแสลงกินของสแสลงลิ้มของสแสลงดื่มของสแสลงจนอาการเจ็บป่วยหนักเข้าถึงกับเสียชีวิตพระยาของอุบาสกนั้นตำหนิประนามโพลทนาว่าพระสมณะเชื้อสายสกยบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุกศีลชอบกล่าวเทศ แต่ก็ปฏิญญาตนว่าประพฤติธรรมประพฤติสงบพระพุทธพรหมจันทร์กล่าวจริงมีศีลมีกัลยาณธรรมพวกเธอไม่มีความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ความเป็นสมณะความเป็นพราหมณ์ของพวกเธอเสื่อมสิ้นไปแล้วพวกเธอจะเป็นสมณะจะเป็นพราหมณ์ได้อย่างไรพวกเธอปราศจากความเป็นสมณะปราศจากความเป็นพราหมณ์ พวกเธอได้กล่าวพ น, นาคุณความตายให้สามีของเราฟังสามีของเราถูกพวกเธอฆ่าแล้วแม้พวกชาวบ้านอื่นๆก็ตำหนิประนามโผนทนาว่าพระสมณะเชื้อสายศักยบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายพวกเธอกล่าวพ น, นาคุณความตายให้อุบาสกฟังอุบาสกถูกพวกเธอฆ่าแล้วภิกษุทั้งหลาย ได้ยินประชาชนตำหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉไนพวกภิกษุชาวพัีจึงกล่าวพนาคุณความตายให้อุบาสกฟังเล่า